นะโมโมบางทีมันนะโมมันนโม่มัวมัวมัวถ้ามัวมันจะตัวอะไรอย่างเงี้ยฟังสวดมนต์มันไม่ใช่จ้าไม่เป็นนะโม นโมโมโมโมโมภัตวโมคนเดียวนโมนโมนโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นั่โมมันชัดนั่โมบันทีหัดนั่โมสามวันนั่โมโมถ้าหากผมไม่หัดนี่ มันนับโมมันกลายเป็นนับโมมัวมัวบางองค์ยิ่งชัดฟังเสียงมีอยู่องค์หนึ่งเสียงเสียงดังๆนับโมมัวทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสะ นามัวัชสพังกาวาตัวมันมีนะเดี๋งนี้ทำไมจึงมีก็เพราะไม่ฟื้โมกับโม Namo. Namo. Mo. Pa. มคตมคตภาษาเป็นภาษาที่ไพเราะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช่ในการประกาศพระศาสนา ภาษาสันสกฤตพระพุทธเจ้าก็ไม่นิยมใช้รู้สึกว่าภาษาสันกสกฤตภาษาสมคตนี่จะใกล้เคียงกันแต่พระพุทธเจ้าไม่นิยมใช้แล้วก็ห้ามไม่ใช้ภาษาสันสกฤตอาจจะเป็นภาษาที่ แปลออกมาเป็นใจความแล้วจะไม่ชัดเจนทรงยกย่องทรงสนเสริญและทรงอนุญาตให้ใช้ภาษามคตรหรือมคธภาษาถึงเดี๋ยวนี้การสวจการสาธยายไอยไรต่ออะไร การส่วนสาธยายาทั้งหมดหรือพิธีการทั้งหมดจะสวด น, นาคจะสวดเอกกรรมใดๆใช่เป็นภาษามคตเท่านั้นพืทรงอนุยาให้ใช้ภาษามคตเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงใช้กันมั พระพุทธเจ้าคำว่าอดีตต่างขยานพระพุทธเจ้าพระองค์อ่อนๆพระองค์ก่อนทำอย่างไรมีขอมีพระปฏิปทาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ใช่ปฏิปตามแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จะมีมากพระองค์มีจํานวนกี่พระองค์ก็เช่นพระธรรมเทศนาไม่ต่างกันเพราะพระพุทธญาต่ละพระองค์แต่ละพระองค์มีความเป็นพระพุทธญาติเสมอกันทุกยุคทุกสมัยพระธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกัน จะพระองค์ไหนจะพระองค์ไหนยุคไหนสมัติสมัยไหนกับในการการไหนในอัตธรรมในเนื่อมหาใจความแล้วพระธรรมเทศนาะเหมือนกันหมดสรุปแล้วมุ่งมามุ่งในการที่จะกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกกระจและจะทรงตัดเฉพาะ ธรรมเทศนาที่เป็นธรรมกาจัดกิเลสที่เป็นขาดสึกกระจายทั้ถึงความจริงอื่นๆความจริงอื่นจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ไม่เป็นไปเพื่อไม่เป็นไปในวิธีเป็นอุบายเพื่อกาจัดกิเลส พระพุทธเจ้าพระสัาสดาจำไม่เทศนาในไม่ไม่นำความจริงนั่นมามาตัดที่มาเหมือนกันหมดการใช้มาคุตภาษาการใช้ภาษาบาลีมันควรใช่ถูกต้อง ฟังดูลมพัดแม้แต่ลมลมไม่มีไม่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวด้ยตนแต่ลมมีกาลังของลมมีและสามารถที่จะไปสัมผัสสิ่งที่ผ่านไปสัมผัสให้รู้ได้ว่าลมผ่านมาว่าสัมผัสลมสัมผัส ลมสัมผัสใบไม้ลมสัมผัสต้นไม้คือลมสัมผัสตาลมสัมผัสหูลมสัมผัสสรีระร่างกายรู้แต่ไม่เห็นตัวลม สิ่งที่เป็นสมมติทั้งหมดสามารถเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือไม่สามารถสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นที่ไม่เที่ยงทั้งนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถจับป้องได้สามารถเห็นด้วยตาหรือไม่สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงเทศนาที่ไหนทรงเทศนาที่ไหนก็เอาของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละเอามาเทศนาะเพราะในโลกอันนี้มันมีอยู่เท่านี้มันไม่ได้มีอยู่มากถึงมากจกนกระทั่งเต็มโลกโ ล, โลกทั้งโลกเต็มไปหมดมีแต่ สัจธรรมนีแต่ของจริงทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็เอาของจริงที่มีอยู่ในโลกเต็มโลกนี้ล่ละสรุปให้แคบเขารวมเขาเรียกว่าสเพสัตตาบรรดาสัตว์ทิมทั้งหลายที่เกิดมามีชีวิตจิตใจสเพสัตตา ทั้งลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นมาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแตกสลายเหมือนกันหมดสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติกันว่าเป็นสิ่งใดๆสมมติกันว่าเป็นสิ่งใดๆ เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นถูกถึงบรรดาคนคนสัตว์จะสมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดจะสมมติว่าเป็นคนชาติชั้นวรรณะผิวพันธ์อย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นเหมือนกาฟองน้าไม่ผิด ฟองน้ำจะเกิดเป็นฟองเล็กฟองใหญ่จะฟองสีขาวฟองสีใสฟองสีในเหลืองสีแดงอะไรก็จะฟองน้ำ น, น, นั่นเกิดเป็นฟองแล้วจะต้องดับทั้งนั้นฟองน้ำบางทีมีการระบายสีก็เป็นฟองบางทีไม่เกิดจากการระบายสีเกิดจากธรรมชาติ พอผ่าน ส, สิ่งที่เป็นสีนั่นๆน้ำนั้นๆก็เป็นสีไปด้วยจะเกิดเป็นรูปเป็นน้าจะเกิดเป็นสีใดๆนี่สรุปแล้วในเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วจะต้องสลายตัวทท่านั้นฟองน้าธรรมชาติฟองน้ำเป็นนะี้น ก็ไมชใช่ของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ไม่ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกั น, ก, ต ก, ต ก, นก็คือเป็นของเกิดเหมือนกันเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรในฟองน้ำที่สลายไปแล้วนั้น คิดถึงคนมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ระลึกแล้วมันไม่ไม่สุดเป็นสีทสงไขแสนมห า, มหากัาบที่พระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเอาที่ละเอาทีนีก่อนเอาที่นีก็พอ ก่อนนั้นก็ยังหาประมาณไม่ได้ยังมากมายกายกองไม่สามารถที่จะนับได้เสียสงไข่แสนมหากรับนี่สงไข่หนึ่งเท่าไรมหากรับหเท่าไรมหากรับเท่าไรยังแส้นมหากรับก็ไปอีกเกิดทุกอย่างในโลกตั้งแต่ปรารถนาเป็นควาพุทธเจ้า แต่ไม่เล็กจากเล็กที่สุดก็หมายถึงว่าจำพวกกระจนกระแตนี่แต่สัตว์อื่นๆที่แต่สัตว์อื่นๆนี่สามารถที่จะเกิดได้เป็นนกอะไรนะเป็นเป็นเม็ดเป็นม ด, เ ป, นมดเป็นปลวกเป็นยุงเป็นรีน เป็นสัตว์ต่างๆที่ไม่สามารถตีเห็นมองมองเห็นด้วยตาเปล่ามากก็เพิ่นทนั้ทงในน้าทั้งในบกทั้งในอากาศสัตว์ทั้งนั้นมีชีวิตมีจิตมีใจทั้งนั้นจะมากมายขนาดไหนรูปเล็กรูปใหญ่ขนาดไหนในปรากฏขึ้นเป็นรูปแล้วเห็นด้วยตาก็ช่างไม่เห็นด้วยตาก็ช่างฟองน้ำเป็นอย่างไรสัตว์ที่เกิดมา ก็ไม่ติดต่างอะไรก็ฟองน้ําคือเกิดขึ้นมาแล้วสลายไปนี่เราเราที่นั่งอยู่เดียวนี้ไม่หายใจหยุดลมหายใจเขาไม่ทํางานเมื่อไรทิ้งเมื่อ น, นั้นทิ้งทันทีนแต่สมมุติกัะนัวเป็นในคอสมมุติกระนัวเป็นในคอสมมุติกระเป็นผู้หญิงสมมุติกระนัวเป็นผู้ชาย หรือจะไม่สมหรือจะผูผ้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่ตายทั้งนั้น<ม>ดัเนีมันมีอย่างนี้มาตลอดการสิ่งที่มีอย่างนี้มาตลอดตลอดแต่ก่อนนั้นมันไปไหนหมดมนั่นท่านยิ่งว่าเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะตกข้างในโลก<ม>ที่จะตกข้างในโลกก็คือโลก ฉะนั้นลูกอันนี้ไม่ใช่จะลูกข้ามลูกอันนี้ก็ยังจะแตกลูกอันนี้ก็ยังจะพังลกกธาว่าโลกแล้วเป็นของได้ไม่เที่ยงทั้งนั้นธรรมะโลกเป็นโลกแล้วเป็นของที่แตกสลายทั้งนั้น <c oughs> อย่างที่พระพุทธเพระ พระสารีบุตรทรงนั่งอยู่ในบรรดาบริษัทอริวานของของพระสารีบุตรนั้นพระสารีบุตรถามว่าโลกอันนี้ใหญ่เท่าไรกว้างเท่าไรน้าเท่าไร่เช่นกว้างเท่าไรนาเท่าไรยาวเท่าไรโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยง ลกอันนี้ยังจะแตกสลายลกอันนี้ยังจะแตกสลายในมะลกอันนี้ใหญ่โตหนาขนาดนี้กว้างขวางขนาดนี้ก็ยังจะแตกสลายแล้วชีวิตของเราเราท่านๆจะเป็นของที่มันคงถานวรนได้หรืออูบายที่พระทีนักปราชญ์ท่านมาเทศนา ยกเอามายกมาเป็นอุบายมาเปรียบมาเทียบแต่อุบายที่เอามาเปรียบเอามาเทียบนั้นโดนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นท่านเราเราท่านท่านนี้ในโลกอันนี้มันจะไปไหนก็เป็นอย่างนี้มันจะแตกจะพังไปได้อย่างไร น, น, นี่อันนี้กาอันนี้ก็เป็นความจริงจริงที่เรารู้แต่ความรู้ของเราสามารถรู้ได้ขนาดนี้ เราก็อย่าติดอย่าไปปฏิเสธว่าสิ่งที่สายตาของท่านพุ่นมียาวกว่านี้ท่านสามารถที่จะรู้มากกว่านี้ยางทีเรียวว่าเราเราไม่เคยเห็นสักทีนรกเป็นยังไงมึงนรกเป็นยังไงเราเราสักทีไม่เคยเห็นเมืองสวรรค์เป็นยังไง เราเราไม่ PM, คเคยเห็นเห็นสักทีว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เอาไม่เจอแต่เราจะไปฏิเสธไม่ได้ว่านรกไม่มีเราจะไปปฏิเสธไม่ได้ว่าสวรรค์ไม่มีเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระนิพพานไม่มีจะปฏิเสธปฏิเสธได้ยังไงท่านไปถึงแล้วท่านรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเจ้าเจ้าท่านว่ามีว่ามีทั้งท่านไปสัมผัสมาแล้วจะไม่มีอย่างไร ก็เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอเกิดมาเนี่มันตั้งหลายสิบปีมาแล้วมันไม่เห็นทั้งทีสวรรค์นิพพานนรกนี่แล้วจะให้เราว่ามีอย่างไรจึงว่ารับเอาไหว้ศึกษาและพิจารณาสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็อย่าปฏิเสธว่าไม่นี่ไม่มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ท่านรู้เห็นมาแล้วมีเราก็ยอมรับเอาไว้พิจารณาแต่อย่าเพิ่งเชื่อ ว่าเชื่อนี่ก็เรียกว่าเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่ออย่างไม่มีหลักฐานพยานพยายามศึกษาพยายามศึกษาพยายามนี่ศึกษาให้เรียนรู้ความขวางเข้าไปเรียนรู้ความขวางเข้าไปรู้ละเอียดทีทุนเข้าไปพยายามปรับสายตานี่ของเราให้ ดีขึ้นสายตาของเราหยาวขึ้นในเมืม่อสายสายตาของยาวของเราดีขึ้นยาวขึ้นมันก็สามารถที่จะมองเห็นไกลมองเห็นไกลมองเห็นไกลนี่ในที่สุดนรกมีจริงนี่ไม่มีจริ ง, งไงเนี่ยไม่จะมียังไงก็ตามมันเห็นอยู่นี่นี่สวรรค์มีจริงไม่จะไม่จริงยังไงตามันเห็นอยู่นี่พระนิพพานก็มีจริงจะไม่มียังไงก็มันสัมผัสรู้อยู่เห็นอยู่นี่ะ แล้วจะบอกบ พ, พันธุ์ไม่มีได้ยังไงเสนาลดมีจริงสวรรค์มีจริงพันธุพันธ์มีจริงมีจริงสําหรับผู้ที่สายตาดีถ้าหากว่าสายตาอย่างเราเราอย่างนี้หลไรอยู่ตรงนี้มองโน่นนั่นนะนมองอยู่เนาะมองอยู่เนาะน้าในในปลามีน้ำกี่ตัวในในน้ามีปลากี่ตัวในน้ามีปลาไหม มีเราเห็นไหมไม่เห็นในน้ามีปลาจำนวนเท่าไหรม่มีมีไม่รู้ทั้งท่านในน้ามันมีปลานี่เตจริงมีปลาน้อยปลาใหญ่จำนวนเท่าไหร่เราไม่รู้แต่จำนวนมันมีนี่ก็เหมือนกันนั่นแหะสิ่งที่เราไม่เห็นเราอย่าปฏิเสธว่าไม่มีมีทั้งหมด เพราะใจมันเป็นได้ทั้งหมดใจเป็นเซลนรกก็ได้ใจเป็นสวรรค์ก็ได้ใจเป็นพระนิพพานก็ได้นี่ใจนีล่ละเป็นขึ้นมามันมีทั้งหมดสวรรค์ก็มีหลายระดับนรกก็มีหลายขุมหลายระดับเหมือนกัน เงินสวรรค์ก็มีหลายชั้นนรกก็มีหลายหลายหลุมหลายคุ้มหลุมไหรยุ่มไหลยุ่มหลุมใหญ่หลุมน้อยแต่ละหลุมอ่าไอ้ผิษภัยหรือว่าผู้ทรมานในแต่ละจุดแต่ละหลุมนั้นก็ยิ่งย่อนกว่ากัน พอปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านทรงสอนเอาไว้สอนเอาไว้เพื่อโค่นพ้นเพื่อยกระดับใจของเราให้พ้นจากนรกสอนให้ใจิตใจของเราสูงสูงกว่าคาว่าของรำทั้งหลายขุมนรกทั้งหลายยกขึ้นมาสูงทรงขึ้นมาเห็น รู้จักรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มุ่งมั่นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเห็นโทษแล้วก็พยิยามที่จะเลิกละสิ่งที่เป็นโทษนั้นนี่อันนี้ยกระดับคนที่พูดอยู่ลู่อยู่ว่าอันั้นมันเป็นบาสนัเป็นบาปขาดสา์เป็นบาปรักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในการอในกาลเป็นบาปแต่ก็ทําอยู่ไม่หยุดน่นไออันนั้นมันไม่จะเห็น มันไม่ใช่รู้นี่มรูดมันมันเป็นความจำที่ได้ยินมาเป็นความจำที่ได้ยินมานี่มันไม่ใช่รู้มาจากจิตจากใจแต่ากว่าจิตจากจิตใจมันรู้เพราะมันได้เห็นมันได้รู้ได้เห็นของจริงมาแล้วอันนั้นมันจะไปละเมิดมันจะไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำไม่ได้ พอปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาอย่าให้ยกระดับจิตให้พ้นจากการเป็นนรกเป็นเปรตพ้นจากการเป็นอสุรกายพ้นจากการเป็นสัตติริชานนรกเป็นยังไงไมนดีไหมเปรตเป็นเป็นยังไงดีไหมเปรตอสุรกายคือมีกายที่ อ่าเป็นกายที่ไม่สมบูรณ์เป็นกายที่ไปสมประกอบมันดีไหมแล้วก็ทีนี้ก็สติไร้ชานเะน่ะมันดีไหมคิดถึงกายที่ไม่สมบูรณ์นะอสุรากายอสุระกายไม่สมบูรณ์นี่นี่ผมเหมือนกนี้นวันนั้นในห็นในเด็กมาคนหนึ่งนะ มือก็ิกแขนก็แขนก็ด้วนมือก็งกปากก็แวงแขนก็ขาขาก็ขาก็ด้วนเป็นมาแต่ธรรมชาติร่างกายม่สมประกอบนะมีปากเคี้ยวไม่จะกินข้าวก็ไม่ได้เคี้ยวข้าวไม่ได้ มีมือจะหยิบอะไรก็ไม่เป็นมีแขนอะมีขาเนี่จะเดินก็ไม่ได้ขาก็ด้วนเป็นอย่างนี้นไม่ใช่พ่อแม่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่เขาก็มีหลายค น, นพี่ก็ไม่เห็นเป็นเขาว่ามันเป็นแต่คนนอกนี่เขา มันไม่ใช่ของที่พ่อแม่หให้มันเป็นได้นี่เขาจะเป็นของเขาเองเขาจะเป็นของเขาเองเนี่ยเพราะการกระทําของเขาเนี่ยนนะทำให้เขาเป็นตีระชานเนี่ยที่ระชันเป็นยังไงตีระชันก็นูก็เห็นอยู่นั่นล่ะนี่ ไม่ใช่บักเกี่ยงบักยุ่งมันก็มาไกลๆอยู่แถวนี้หรือนี่้นันติไรชันแม่แต่ติไรชันก็มีหลายระดับติไรชันหมาก็มีหลายระดับติไรชันก็มีหลายหลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีระดับของเขามนุษย์เราก็เหมือนกันสัตว์มนุษย์นี่สัตว์มนุษย์ก็มีหลายหลายระดับอืมีหลายนี่สัตว์มนุษย์ที่ ไม่ยังตามมืดตาฟางตามไม่เห็นสิ่งที่ควรไม่ควรก็ยังมีอยู่มากท่านจะนึกว่ามนุษย์ติเดชาโนก็มีมนุษย์เปโตก็มีมนุษย์เทโวก็มี มนุเทโก็มีมนุสอริอรหันโตก็มีมนุ์พุทโทก็มีมีแต่สัติไดาชานมนุสติไดฌ า, า น, นุมีมนุษย์เปโตมนุษย์เทโวมนุสอรหันโตมนุษ์พุทโธมนุ์ก็มี หลายประเภทมีหลายระดับแต่มนุษย์บางกันแต่มนุษย์มีระดับยิ่งย่อนกว่ากันมีระดับยิ่งย่อนกว่ากันเป็นเพราะข้อปฏิบัติการกระทํกาการกระทําอย่างเป็นมนุษย์ธรมธรมดาธรรมดาอันนั้นก่อนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดา การกระทำอย่างที่เรียกว่าติระชานเขาทำกันก็ เ, เป็นมนุษย์ติระชานโนไปทำอย่างเปรตก็าทำนี่อันนั่นก็เป็นเปรตในคราบมนุษย์ไปนี่ทำอย่างนีนที่เรียกว่าบรรดาเทวดาเขาปรปฏิบัติต่อกันอันก็เนนั่นก็เรียกว่ามนุษย์เทโวไปมีข้อปฏิบัติมีการกระทำมีการเป็น อย่างพระอรหันต์ก็เป็นมนุษย์แต่เป็นพระอรหันต์ในร่างกายที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้แต่ร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระพุทธเจ้าใจเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายแตกพังไปใจนั้นก็ทรงความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เสียหายจากความเป็นพระพุทธเจ้านั้น ใจเป็นอรหันโตร่างกายแตกพังมาตามธรรมชาติของเกิดมาเพื่อแตกเพื่ังใจที่เป็นอรหันโตนั้นก็ทรงความเป็นอรหันโตไม่เสียหายไปโดยไม่เสียหายไปไหนนี่มนุมมสเทโวใจเป็นมนุษย์นี่ใจร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดานี่ร่างกายแตกพังทำลายไปตามกฎของสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ใจนั้น ก็เป็นเทพเป็นเทวดาไปมนุษย์สเปโต้มันเป็นมาแต่งเพลนทันตายตายแล้วมันก็ธรรมชาติใจมันก็เปลนเพราะมันสั่งมันใจมันเป็นเปรยใจมันเป็นเปรใจมันเป็นเปรยร่างกายมันตายใจมันไม่ตายเปลี่ยนร่างกายมันแตกมันพังไปใจที่ไม่แตกไม่พังนั่นก็เป็นเปรยไปที่ได้ฉานไปมันก็สเปนมันก็เป็นตีได้ฉานเพราะมันเป็นเต่งเพลนทันตาย อุแวะไปตรงไหนไปเกิดตรงไหนแม่นโลดมันไอ้ใครๆก็มันมีแต่เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นดิงเป็นค้างนี่เป็นไก่เป็นไก่เป็นนกไปก็ใจมันเป็นแน้วติรฉานอ่ะจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาใจสอนให้ปฏิบัติใจ พ้นจากสภาพนับตั้งแต่เป็นเปรตเป็นติไิชันให้ทรงความเป็นมนุษย์ทรงความเป็นมนุษย์เหรสมบูรณ์นี่ปฏิบัติความในในเป็นมนุษย์เหรสมบูรณ์ปฏิบัติความเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปมันก็เป็นเทโวขึ้นมาเป็นอริยบุคคลขึ้นมาและเป็นอารหันขึ้นมานี่ความเป็นพุทธเปี่ยมมาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นยกเว้นมีเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น แต่บรรดาเทโวบรรดาในระดับในระดับอรหันโตนี่เราเราสามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะเป็นไม่เป็นเป็นระดับที่มนุษย์เราสามารถที่จะทําให้ได้ทําให้ถึงและเข้าถึงในกวามที่เรียกว่าอารหันตได้ขอไปฏิบัตินี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ สอนเพื่อสู่ความเป็นเทโวสอนเข้าถึงความเป็นอารันโตทั้งนั้นและสอนให้พ้นจากคําว่ามนุษย์สเปโตสอนให้พ้นจากคําว่ามนุษย์สติเ ร, รชาโนสอนให้ทรงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นนี่แหละสามารถที่จะสร้างความเป็นอารหันโตขึ้นมาได้ นี่สามารถสร้างความเป็นอริยะบุคคลในขึ้นในจิตจิตใจให้ประเสริฐขึ้นมาได้ด้วยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้จึงว่าให้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ปฏิบัติให้ไม่ผิดพลาดตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอไว้เหมือนกับ ก, การเดินนี่ในทางที่กดเขี้ยวนี่ทางที่ทุรักกันดาร ยึดทางที่พระพุทธเจ้าวางแผนที่เอาไว้พระพุทธเจ้าวางแผนที่ไปอย่างใดไปอย่างไรไปอย่างไรไปตามตามนั้นถึงจะมีอุปสรรคแน่ใดใดถึงจะไม่สะดวกในการเดินทางขนาดแค่ไนในเพียงไรนี่ก็จะเดินตามที่พระพุทธเจ้าท่านกาหนดได้ไว้ในแผนที่นี่ให้เดินนั้นจะไม่ให้ผิดพลาดถึงว่าจะชาถึงว่าจะชา เราก็จะพยายามไม่ในไม่ให้ผิดพลาดในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินและพระพุทธเจ้าท่านประกาศว้หรือรอยพระบาทลอยทางที่พระพุทธเจ้าเดินนั้นเราจะสังเกตและเราจะไม่ผิดพลาดในที่สุดนี่ในความเป้าหมายของเราคือสร้างเราให้เป็นมนุษย์อริยะบุคคลขึ้นมาสร้างเราให้เป็นพระอริยหัน ไอ้เป็นในอรหรันโตขึ้นมาจะปรากฏขึ้นตัวถึงจุดนั่นจริงๆในถึงจุดนั่นคือถึงที่จุดในถึงจุดในถึงณสถานที่ได้ก็ถึงใจของเราในละใจของเราเป็นประเสริฐขึ้นมาใจของเราเป็นอรหันขึ้นมานี่ใจของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เมืองอรหันอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นไม่เป็นอย่างนั้นเมืองอรหันอยู่ที่ใจของเราที <ừ> ่นี่ใจของเรามี นี่ใจของเรามีใจของเราสามารถพี่เป็นอรหันต์ได้ทุกรายที่นี่ยังเป็นอรหันต์ไม่ได้ก็เพราะมันติดเรื่องไอ้ติดใน ต, ตัวคาว่ า, าตัวกิเลสนี่มันผูกมันมัดราคะปติดมัดโทสะก็ผูกให้งก็ติดมัดโมหะก็คอบครอบการามจิตใจเอาไว้ราคะก็ไม่มัดเอาไว้โทสะก็มัดเอาไว้ไม่โมหะก็คุมเอาไว้มัดเอาไว้ มัดตั้งแต่ศีรษะนี่เอาคุมมาไว้คุมมาไว้ยังมัดอีกนี่ไปถูปิดตานี่สิ่งที่เอไอเจ้าโมหะมันจะเปิดเห็นก็มันก็เปิดเห็นด้วยกำลังของโมหะอำนาจของโมหะนี่คนทั้งคนทั้งคนเกิดมาตาย นี่สิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นคนสิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นหญิงเป็นชายสิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นตัวเราตัวเขาสิ่งที่เกิดมาตายก็ยังว่าเป็นของสวยของงามสิ่งเหล่านี้ลนะ่ะอำนาจของโมหะมันคุมเอาไว้ นี่คุมตั้งศีรษะตั้งศีษะไปหาเท่าที่เราไม่ให้เห็นเราไม่เห็นเขาเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรไม่เห็นมันคุมเอาไว้แล้วก็มันบอกว่าเป็นคนบอกว่าเป็นของเราแล้วก็มันหลอกว่าเป็นของสวยของงามเราก็เป็นของหน้าใคร่หน้าปราถนานี่คําสองของพระพุทธเจ้าให้เปิดของคุมออกนี่ใเปิดสิ่งที่คุมออก สิ่งที่คุมคืออะไรนี่ก็คือหนังที่มันคุมเอาไว้นี่และเปิดออกไปพยายามจะเปิดของที่มันคุมออกเคุมออกไปแล้วหนังที่เลิกออกไปแล้วนี่ทีนี้พอมันเป็นในเคยเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันสวยงามจริงไว้ก็เปิดออกไปเปิดออกแ้าไปทิ้งไว้เอาไปกองไว้เอาไปเก็บใส่ตู้เก็บใส่เก็บใส่ตู้ เนี่ยยังดีในตู้ที่เคยเก็บเสือ้อเก็บผ้าหรือเก็บใส่ห้องเลยยังดีห้องที่เก็บข้าวเก็บของและหนังที่เคยคิดว่าเป็นของสวยของงามมันเป็นยังไงไม่นี่มันมีแต่แังวัวแดงวันเท่านั้นแ่ะมีช่องเข้าไปมันจะเข้าไปถ้าหากว่า ม, มีช่อง ม, ม, มันมีอากาศนี่ในมันมีอากาศนี่ยมันก็จะไป มันก็ไปคอยมันก็ไปอยู่ตรงช่องที่อากาศเล็ดเลเข้าออกเล็ดหอดเล็ดหลอดออกมานั่นกินที่เมงวันมันมันปราถนากิ่นกลินเป็นยังไงก็ยิ่งมันก็คือกินมูดขุ่นกิ่นคูดด้วยกองของของเม้นของเน่านั่นนี่หนังที่เราว่าเป็นของสวยของงามถ้าหากว่ามันเน่าออกมาแล้วหนาความสวยความแนวความสวยงามในหนังมีไหม คำว่านไงคำว่าไอ้คนคําว่าคนถ้าความมีวีหนังหุ้มห่อเป็นยังไงไอ้คําว่าสวยคําว่างามแล้วมันําจะเป็นเหตเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินไล่ปรารถนาไอ้นี่ในต้องไอ้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีไหมนี่นี่แหะคําว่าสิ่งที่มัน โมหะมันเอามาครอบครอบจิตครอบใจให้มืดมนให้ลุ่มหลงโมเ ม, ม, มาเกิดราค่าก็เกิดขึ้นเกิดโทษสาก็เกิดขึ้นมันเอาหนังที่มีอยู่ในเราในละมันไม่ได้เอาของที่ไม่มีอยู่ในในเรามาครอบงามันไม่ได้มาครอบงามันไม่ได้มีเอาของที่มีอยู่ในเราเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเราเราท่านๆใครมีหนังก็เอาหนังมันํามาบิดเอาไว้ใครนี่ไม่มีอะไรมาบิด โมหะไม่ hiện. มันไม่ได้มันไม่ได้เอาของไกลมันไม่ได้ของที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้เอาของที่ไม่มีอยู่ในเรานิเอามาครอบาำจิตใจของเราให้ลุ่มหลงว่าของเน่าละเป็นของหอมของเกิดมาตายละเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันเอาหนังที่ห่อในสรีละร่างกายของเรานน่หนังที่ห่อในสตรีละสรีละร่างกายของเราเป็นยังไงนี่ขี้เหนือมันเป็นยังไงขี้ไข่มันเป็นยังไง น้ำเหนือมันเป็นยังไงเอ้สามวันไม่อาบน้ำเจ็ดวันไม่อาบน้ําสาไอ้สามปีไม่อาบน้าเป็นยังไงเจ็ดปีไม่อาบน้าเป็นยังไงมันยิ่งกว่าหนังหมาหนังหมาบางทีปีหนึ่งไม่ได้อาบน้ํามันก็ยังไม่เหม็นเท่าหนังค น, นเจ็ดวันไม่ได้อาบน้ําตาก็หมึนแต่มไม่ล้างตาก็ในห ม, มึนไม่ได้ล้างเจ้า จมูกก็เหม็นถ้าหากว่ามันเต็มอยู่ในขี้มูกเอทุมทุ้ทุกขุมขนทั้งทุกอนูในศรีละร่างกายหรือในอออเกในหนังทั้งหมดในทุกอนูอย่างนี้นะ่ะจะมือไปแตะมันก็ยังคิดยังยังสกปรกหนังของเรานี่ถ้าหากว่าใสา่สักสองสามวันไม่ได้อด น, น้ำลองดูลูบไปมันมีแต่เมือก เอาเมือกนั้นเอามาดมเป็นยังไงบางทีไม่ทันดมร่้มรูปบางคนบิ๊กได้กลิ่นแล้วนี่พระพุทธเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ละ่ะเอามาเทศนาสอนให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สอนให้เอาสิ่งเหล่านี้มาศึกษาในเมื่อเอาสิ่งนี้มาเป็นมาศึกษาการที่จิตศึกษาให้รู้จริงเห็นจริงต้องเอามาเอามาเป็นอารมณ์ เอามาเป็นเป้าหมายนี่ให้อยู่กับตาให้อยู่ก ā, ับตาอยู่กับตาตาของเราเห็นเราก็สามารถที่จะสิ่งที่สัมผัสกับตาได้ชัดนี่ใจของเราก็คือตาเอาสิ่งเหล่านี้มาสัมผัสใจเอาใจของเราดูสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้สิ่งอันนี้หนังมันเป็นอย่างไรความจริงของหนังเป็นอย่างไร ตของเราสามารถจะเห็นชัดตาใจของเราสามารถสามารถติดรู้ชัดเห็นชัดรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงได้และที่นี่หนังของใครจะเอาแป้งจากไม่เอาเยอะจากเอาไอ้ฝรั่งเศสเอามาเคลือบเอาน้ําหอมจากเอาไว้จะฝรั่งเศสเอามาเอามาเอามาพ่นเอามาฉีดใส่มันก็เอาไอมันก็นี่เอาเอาของไม่เที่ยงนี่เอาไอ้น้ำอบน้ําหอมเอามาย้อมเอามาเคลือบ แต่ความจริงนี่ไอ้ของเหม็นมันก็ยังเหม็นอยู่นั่นละ่ะของเน่ามันก็ยงเน่าอยู่นั่นละ่ะนี่นที่นี้สักสามวันเจ็ดวันนี่แกกินน้ําหมอไอ้หอมอันนั้นมันหมดไปแล้วแล้วเป็นยังไงกินน้ําหอมมันหมดไปยังไงกินน้ําหอมอันนั้นถึงจะหอมขนาดไหนมันก็เป็นของไม่เที่ยงนี่แป้งที่จะเอามาเคลือบเอามาทาด้วใจจันคุณภาพจะดีสักขนาดไหนมันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงและก็สลายไปเป็น ในที่สุดมันก้นหนังของเก่าเอานั่นแหะเอามาเปิดให้เราเห็นนี่หนังอันนั่นก็ต้องการเปิดของจริงต้องการต้องการเปิดของจริงไอ้เต่าเจ้ากิเลสมันก็เอาตาเอาแว่นแว่นตาดําๆมาไปเอามาใส่เอาไว้ไอ้ให้ของจริงไม่เห็นหเห็นแต่ของปลอมเห็นแต่ของปลอมในเมื่อกินของจริงมันจะประกากฏขึ้นมาก็เอาขออ้อยพอน้ําอบน้ำหอมมาย้อมมาทาหรือเอาอะไรอะไรสบู่ นี่หรือโอโซนอะไรเอามาไออาบเอามาไอจำระนี่มันก็มันก็พอแล้วไปแล้วไปเจ้าก็เลยพออยู่ก็ค่อยค่อยพออยู่พอพออยู่ก็เจ้าในที่สุดมันก็เป็นโลกเป็นเราเป็นเขากิเลสตถหามันก็สนุกสนานมันก็ร้องลําทําเพลงแล้วมันก็ฟ้อนลํามันก็เต้นสนุกสนานเพราะมัน เพราะมันหลอกมนุษย์หลอกพระกรรมฐานนี่ให้ลุ่มหลงอยู่ในอยู่ในอยู่ในกลนวิธีอยู่ในวิธีการหลอกของมันและมันก็พยายามหลอกอยู่ตลอดเวลาแต่การที่จะมันมันหลอกไม่ใช่มันหลอกพระกรรมฐานเองอะหลอกใจของพระกรรมฐานนั่นน่ะมันหลอกก็เป็นอย่างนั้นมันหลอกก็เป็นอย่างนี้เน่มันดี มันหลอกทั้งนั้นมันไม่ยกกุ้งเ้นยังมีไม่ยกเว้นชาวบ้านชาววัดไม่ยกเว้นไอ้ไอ้ผู้หญิงผู้ชายเพราะพระพุทธเจ้าท่านนั้นไม่รอใครความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเอาความจริงประมาประประกาศเอาความจริงมาเทศนาพระพุทธเจ้าเอเ อ, เอความจริงอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าชี้แนะชี้ชิดนให้ไปถึงจุดนั่นให้ไปถึงจุดนั่นนี่ ความจริงมีอยู่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกมีความจริงอยู่ในนั้นทั้งนั้นและความจริงในนั้นความจริงในนั้นทำสามารถที่จะกำจัดความลุ่มหลงโ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มเมาดีมีอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกได้ทั้งนั้นเราๆก็เหมือนกับสัตว์โลกลายหนึ่งนี่ของจริงมีอยู่ในเรานี่เอามาศึกษาให้ยิ่งเอามาเป็นเป้าหมายหนังก็จะตั้งใจดูอย่างนี้ละ นี่ถ้าหากว่าไม่เห็นหนังชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่คิดสิ่อื่นเราจะไม่พิจารณาอย่างอื่นจะจะไม่สนใจไปนังอื่นบีบบังคับให้มันอยู่กันหนังนี่นี่นี่แต่แต่ก็ต้องอาบน้านนะถ้าหากว่าเรายังหมู่อยู่ก็หมู่กับเพื่อนถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวนี่สามวันไม่อาบน้ำมันนี่ปากก็ไม่อาม่านปากก็ไม่ล่างนี่ตาก็ไม่ล่างนี่ นี่เอาขอต้องการเอาของจริงดูมันนี่อย่างนั้นต้องถือโอกาสอยู่ผู้เดียวอยู่กับหมูกับเพื่อนไม่ได้นี่อยู่กับเมื่อพวกนี่ถ้าหากนั่งอยู่อย่างนี้นี่นั่งอยู่ไม่ได้หรอกมันนี่ใกล้ๆก็ว่าเรียกว่ามันไปถ้าหากว่าจะอยู่ด้วยกันนี่มันดีไม่ดีอย่างน้อยมันต้องสาว่าเพื่อนจึงจะพอนั่งอยู่ด้วยกันได้ท่าไอมันทํำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ไม่ต้องบอกว่าเป็นเป็นยังไงเรารู้ๆ ก, กันอยู่อุจละใครๆก็ ว, ว่ามันเหม็นมันเหนม็ น, นมันไม่เหม็นเท่าคนเน่านะคนเน่าบางทีมันยังไม่ทันตายนะไม่ใช่ตายนะมันเน่านะมันเน่าอยู่แล้วแต่อนี้เนี่ยเราพยายามกบเกินกว่าของเน่าเอาไว้อุจละมันยังดีกว่าซ้ำ บางทียังเอามาไอไอไม่มีความจําเป็นเอามาไปมีความจําเป็นไปจับก็ยังได้หอบทิ้งก็ยังได้เอาไปมือไปถูไปล่างก็ยังได้ในเมื่อความจําเป็นมันมีแต่ถ้าหากว่าของจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้มันยิ่งกว่านั้นมากมากทีเดียวเหม็นอย่างไม่เคยเหม็น มิ้นยังไม่เคยมห้นบางที่ที่สัมผัสมาแล้วยังไม่แทนตายนะบิดหน้าหนีทันทีนะมันจะอาเจียนออกมานี่ไปดูแลผูกไอ้พระเอมบปดูไปดูแลคนป่วยคนป่วยเกิดไอขึ้นมาแล้วโอ้โหยมันค่ๆก็ของภายในมันเน่านี่ หน้าต่างไงในบิดในบิดหน้านี่ค่อยๆก็ว่ายังในนั้นนะต้องเอาหน้าออกไปนอกหน้าต่างพูนขนาดนั่นนะนั่นสัจธรรมของจริงมันเปิดเขาเปิดเผย อ, อยู่เสมอแต่เราพยายามที่จะกบเกินพยายามที่จะกบเกินไม่เอานั้นไปคุมเอานั้นไปปิดหรือพยายามที่เนไม่ไม่เข้าไปไม่พยายมว่าเหมืารีกเสียไมเข้าไปใกล้ เนี่ยคำสอนพุทธเจ้าไมา่ได้เอาอะไรมาสอนเอาสิ่งที่มีมีอยู่ในเรานี่เอามาสอนให้เรารู้แต่คําว่าเราเรนี่มันก็ไม่สนใจนะสนใจแต่อะไรก็ไม่รู้โน่นโน่โน่น่ะเป็นของใหม่เป็นของออกใหม่เป็นรุ่นใหม่นี่อะไรอะไรก็ไม่รู้จากประเทศนั้นจากประเทศโน้นผ่าผ่อนทอนสบาย เครื่องยอมเครื่องท้าอะไรตอนอไรแข่งขันกันใช้จะของได้ของดีมาแข่งขันนะภูมิใจนอนอยู่กั บ, บ้านนั่งอยู่ก็ บ, บ้านก็ไม่ได้ต้องออกตุดต้องเดินออกไปโชว์ไปนู้นนะนั่งอยู่ไม่ได้ก็ บ, บ้านไม่ได้จะต้องออกนอกบ้านกลางค่ำงคืนดึกดื่นก็ต้องอะไรก็อยู่ไม่ได้ต้องไปต้องกานไปโชว์ ไปโชว์หนังหอกกระดูกไปโชว์ของเหมินเพื่อนเราไม่รู้เราไปโชว์หนังหอกกระดูกไม่รู้เราไปโชว์ของของเหมินนะตอนในป่นนปาของเพื่อนก็เหมินอุดจะระประวัติของเพื่อนก็เหมินเหงือกใครเขาหมินแต่เพื่อนไม่รู้เพื่อนเอาของเหมินไปโชว์เพื่อนว่าเอาน้ําอบน้ําหอมจากต่างประเทศฝรั่งทีเศเยอรมันเอาไปโชว์ นี่ไอ้คําว่ากิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่พระพุทธเจ้ายิ่งกว่ากิเลสอีกกิเลสมันจะกินกา้าสขนาดไหนมีสติปัญญ า, ย า, ยายแหลมคมขนาดไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าเหนือผู้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็ฉลาดเหนือกิเลสเช่นเดียวกันนี่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปิดบังวิธีที่จะฉลาดเหนือกิเลสพระพุทธเจ้าเปิดเผยหมดวิธีที่พระพุทธเจ้าจะชน ไอ้พวิธีที่จะฉลาดเหนือกิเลสพระพุทธเจ้านํามาเทศนาเรียกว่าพระธรร ม, มเทศนากีซ่าโรมานะค่ทันตเจโจเอามาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงนี่นี่เป็นเป็นวิธีการที่จะสร้างจิตสั้งใจของเราที่มืดมนให้สว่างกระจ่างแจง้งมีสติปัญญาเหนือทันเหนือกิเลสทันรู้ทันกิเลสและเหนือกิเลสขึ้นมาที่เดียว ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาวิชาความรู้ที่จะมีสติปัญญาเหนือกิเลสเลื่อนลู่ทันกิเลสนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเอาตำลาไหนตำราไหนตำราไหนไม่เกินตำราพระพุทธเจ้าตำราที่ไหนตำราของใครเขียนเป็นใหม่ขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่เกินตำราพระพุทธเจ้าตำราของพระพุทธเจ้าเกซ่าโลมานนะคะทันตาตขอสัดโลกเราเา่าท่านหลงของเหล่านี้ ให้พิจารณาอันนี้ให้รู้ให้เห็นเสียแล้วความหลงจะไม่มีความหลงจะไม่มีก็เหมือนกับเราถูกอะไรครอบงําไม่เห็นเราเปิดของที่ถูกไปมาครอบไอเราครอบงํเราไม่เห็นนั่นเปิดออกไปเสียตาของเราก็เห็นใไปบอกเราก็รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าเราก็รู้ถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นนี่แต่ทีนี้เราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ เพราะสิ่งที่ครอบงำมันครอบงำเอาไว้และวิธีการที่จะเปิดของที่ครอบงำออกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้วิธีไม่รู้จักสลักไม่รู้จักกลไกของการเปิดพระพุทธเจ้าท่านรู้จักกลไกนีเรียกว่าจึง เ, เอากลไกที่รู้แล้วเห็นแล้วนั่นนะเอามาเทศนาเรียกว่าพัฒมเทศนาเทศนาเกซาโอมานะคะทันตาแตโจชาลาวา ชาติความเกิดชราความแก่บระนักความตายนี่อันนี้เป็นกองโทุกนี่เป็นกองอสุพะอตุพังเป็นกองเหม็นกองเน่าเป็นกองตายไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองเราไม่ใช่กองเขาเป็นกองเป็นกองตายเป็นกองมูดกองคูด กองคูดคือขี้ตาขี้หูขี้คิมูอขี้ ม, มูกขี้เงือขี้ไข่แล้วยันหนังที่มันห่ออยู่ห อ, อยนี่อยู่นี่มันก็เต็มไปไดิมูดดิคูดเลือดมันก็อยู่ในนี้น้ำเหลืองก็อยู่ในนี้ขี้เงือขี้ไข่มันก็อยู่ในนี้แล้วจะไม่เห็นหนังเหมึนได้ยังไงนี่พระพุทธเจ้าสั่งลุยพระพุทธเจ้าสั่งลุยนะเดี๋ยวเนี้ยค่ะ เพราะพุทธเจ้าสั่งลุยลุยไปเถอะแต่กิเลสของเราสั่งลุยน่ะอย่าไปลุยนะเดินยังโกงกัเดินในน้อยเด mm. ินใหญ่เดินน <the> ้อยเดินใหญ่เดินน้อยเดินใหญ่นี่นี่แยกแยะมันออกไปนี่ผมก็เป็นผมขนก็เป็นคนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังนี่เกลื่อนลงไปเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนหรือจะเกลื่อนลงไป ในนพื้นแผ่นดินนี่ก็ดูก็เกลื่อนไปมีแต่ของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นผมก็มีอยู่ในเราขนมีเล็บฟันหนังมีอยู่ในเราเกลื่อนลงในแผ่นดินนึกเอานึกเอาน่ะเป็นอุบายเดี๋ยวว่านึกเอามันไม่เดินมันไม่ถูกมันต้องเห็นจริงนึกเอาน่ะเป็นอุบายที่จะเห็นจริงคาว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราถ้าหากว่ามันรวมอยู่ในเรามันมันจะว่าไม่ใช่เรามันเด็มันยาก สิ่งที่มันรวมอยู่ในเราเจ้าว่าไม่ใช่คนมันยากถ้าแยกออกไปเป็นส่วนแยกออกไปเป็นส่วนแล้วผมเขาก็ไม่เป็นคนขนเขาก็ไม่เป็นคนเล็บฟันหนังเขาก็ไม่เป็นคนกระดูกมันก็ไม่เป็นคนนี่อะไรต่ออะไรมันไม่ได้เป็นสัตวอย่างถาก็แยกแยกออกไปแล้วมันมีแต่เมล็งวันท่านแนะนมันว่าเป็นคนเป็นคนฉันชอบฉันชอบมีแต่หนอนท่านแนะนำมันว่าเป็นคนเป็นคนอาหารที่อร่อยฉันชอบนี่ แต่จิตของเรามันไม่ว่าแล้วเป็นคนนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนี่ทรงตัดก้ามาคันธิภาธิยาพามนันานนะยิ่งกว่ามูดจะคูดนะนะจะให้ไปยินจะให้ไปเอามาเป็นเป็นจะให้อาเอ า, เอาให้เอามาเป็นภรยามาแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียได้ยังไง มาคันธียาเพื่อนได้ลูกสาวงามมาไปเห็นพระพุทธเจา้าเออเหมาะสมที่สุดนะ่ะเป็นลูกเขยเราพระพุทธเจ้ากันเทศสนาให้แล้วมันยิ่งกว่ามูดเคยพูดเมื่อแต่จ ะ, ะเท่าไปเหยียบก็ยังจกับยังไม่ยังไม่พึงปาถหนาพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตำหนี่ไม่ได้พูดเดยเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาประกาศต้องการให้มาคันธียานะไปพรามนั่นรู้และมาคันธียานั้นก็รู้จริงเห็นจริง นี่ได้สําเร็จมากผลเห็นชัดตามร่างกายอันนี้เป็นของที่จริงๆเป็นยิ่งกว่ามูดกระพูดจริงๆนี่สกายที่หมดอยากมาคันธย า, าพามนั้นนี่พระพุทธเจ้าเทศนามไม่ได้เอาเทศนามเอามูดเอาคูดที่อยู่มีมีอยู่ในเราเอามาประกาศเอามาเปิดเผยแต่กิเลสมันพยายามปิดพยายามมันพยายามปิดพยายามปิดพระพุทธเจ้า สอนขนาดไหนสอนขนาดไหนเราก็พยายามที่ช่วยจะช่วยกิเลสมันปิดแล้วพยายามที่จะช่วยกิเลสมันเอาอะไรมาเคลือบไว้ผ้าก็พยายามที่สีมัน ส, สวยๆนี่สีเนื้อมันดีๆเนื้อมันละเอียดเนื้อมันนิ่มมันเสริมกิเลสมันเป็นมันเป็นเอเดเป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นลูกน้องของกิเลสเสริมกําลังของกิเลสให้หนาแ น, น่นยิ่งเกินไป นี่องค์กรมรมฐานอย่างนี้ก็มีนะเครื่องใช้ไม่สอยเม็ดแ ป, ป้งสีฟันเมตยาสีฟันเมตเมตาสบูต้องเลือกอยี่หอ้อต้องเลือกที่มันดีๆเสริมกิเลส ท, ทั้งนั้นให้กิเลส ท, ที่มีอยู่ในเจ้าของนี่มันมีพลังยิ่งขึ้นไปมีพลังยิ่งขึ้นไปล่ะในที่สุดก็อ่จูงไปล่ะนี่ตาของเราเคยตา พอเสร็จะเห็นหุ่งอยู่บ้างก็มืดบอดล่ะพุทโธธรรมโมสังโฆเคยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าก็เอามาบริกรรมเอามาฝึกขัดเอามาปฏิบัติเอามาภาวนาเป็นอารมณ์ของใจมันมืดมันบอดเข้ามันสู้กิเลสกอดได้มันสู้มีเมียมีผัวไม่ได้นั่นมีเมียมีผัวดีกว่าพุทโธธรมโมสังโฆนัเข้าอยู่ก็วัดก็ไม่ได้บวชอยู่ก็วัดเป็นผลเป็นเป็นพระบป็ชีก็ไม่ได้ล่ะในที่สุดมันก็ ยงตกอยู่ในกองมูดกองคูดอ่ะได้แช่อยู่ในกองมูดกองคูดคือกองมร ก, กองผลของกิเลสไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอะไรก็เพราะมันมืดมนอุนทรารคําสอนพระพุทธเจ้าประกาศให้สว่างกระจ่างแจ้งไม่สนแสวงหาแต่สิ่งที่มาเสริมกิเลสให้มืดมนอุนการไปหน้าผลออกมาเป็นยังไงนี่นะเหมือนกันหมดสัตว์โลก ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนมีเต็มตัวผู้ตัวตัวโตัวเมียท่านั้นละ่ะเป็นสถานะเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มีตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นละ่ะเป็นสถานะพระพุทธเจ้าพระพุทธธโมสังโฆนี่ไ อ, อเป็นที่พึ่งไอสัตว์โลกที่ตาบอดหูหนวกอย่างเราเรานี่เราไม่ว่าคนอื่นดอก มันมันมันไม่ไหวยอย่างนั้นนะเดี๋ยวเนี้ดูไหมทางโลกนี่ก็บีตาก็ดูไหมสัตว์เล็กสัตว์นอ้อยสัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะเหมือนกันหมดเพราะอะไรก็เพราะตัวกิเลสมันครอบงำโดยทั่วถึงกันมันหยิบยื่นคำสอนของมันนี่เหมือนกันหมด สอนอย่างเดียวกันนี่โงโ่หจนกระทั่งยอมเป็นปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสนะ่ะอยู่มันทำไมเดินยังกงให้มันตายอยู่ก็ที่นี่ ถ้ามันจะโยอยู่อย่างงี้จะไม่เลิกจะโง่อยู่อย่างนี้จะไม่เลิกเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ก็ที่นี่ให้มันตายอยู่ก็ที่นี่มันโง่อย่างนี้อโง่จริงกระทังว่ากิเลสมันสอนดีกิเลสมันสอนดีแล้วก็จะเชื่อมันเชื่อมันน่ะนั่งให้มันตายอยู่นี่ลูกมันทําไมอยู่มันทำไมบังคับเจ้าของสอนเจ้าของทรมานเจ้าของนี่เอา การที่จะหลุดจากคําสอนของกิเลสมันไม่ใช่หลุดด้ง่ายๆนะหลุดอย่างกินสบายนอนสบายหลุดอย่างซบสบายนสบายดีสบายดีสบาย ด, ายดีมันมีทางดอกไอ้คําสบายอันนั้นละมันก็เป็นเครื่องครอบครองของกิเลสอันหนึ่งในโลกทั้งหมดที่เราสัมผัสที่ความเป็นอยู่ของเราอันนี้เป็นอุบายที่ของกิเลสทั้งนั้นมันพยายามหาสิ่งที่ปนเปือเรา ให้ถูกใจเราที่สุดอะไรมาถูกใจถูกใจในโลกปัญหาบรรบเพื่อต้องการที่จะผูกต้องการมัดต้องการที่จะครอบงำเอาไว้ไม่ลืมหูลืมตาคุโธธรรมโมสังโฆพรธ เ, เจ้าสอนให้นี่เป็นอารมณ์ของใจเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลบางทีว่าไม่มีเวลาแต่เรื่องของกิเลสตัณหานี่โอ้โ เวลานี่มันจะวันยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็จะสู้คิดไหมคำสอนของกิเลสและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นยังไง ถ้ามันเด็ดขาดลงไปคําสอนของกิเลสนี่เลิกกันตั้งแต่วันนี้เป็นศัตรูกันเลยอย่างนั้นเลยกิเลสเป็นศัตรูกับเราพระพุทธเจ้าถ้าพระก็ทรงตัดบัแล้วค่าซื้อฆ่าซื้อ่ะก็คือกิเลสกิเลสเป็นศัตรูกับเรานี่ย คำสอนของกิเลสนี่เราจะไม่ยอมเเราจะไม่รับเอาเด็ดขาดจะเอาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้พิจนาอสุภะอสุภังยกอสุภะอสุภังนี่เป็นอารมณ์ของใจสอนให้มีความภากความเพียรความภากความเพียรยังไงเพียรพิจนาเพียรพิจนาเพียรเอากรรมฐานอันนี้เป็นอารมณ์ เหมือนกับเราป่วยอย่างนี้ล่ะอันนี้เป็นยาดีอันนี้เป็นยาดีอันนี้เป็นยาวิเศษยาญาติที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เอาเอามามอบหมายให้จะไม่ว่าจะไม่ว่าเป็นยาวิเศษได้ยังไงอจะใช่แต่ยาของพุทธเจ้าใช่แต่ยาของพุทธเจ้าเองเจ้ากิเลสว่ายาอันนี้ก็ดีนะยาอันนี้ก็ดีนะนั่นไม่สนทั้งนั้น กิดเลสมันคืออะไรใจของเรานะ่ะมันเวฟเวฟไปแล้วมันเวฟเไปแล้วเอาเตยยาพระพุทธเจ้าพุโ ท, ทโธธรรมโมสังโฆกับปัญญาพุทธโอโศธรรมอโศสังโฆอโศปิญญาทั้งนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของใจพุงสรางขนาดไหนนี่ แนวแน่เนวแน่ไม่ให้มันไปอยู่พทโธธรมโสังโคความฟุ้งซ่านอันนั้นมกระดับท่านมีแต่ใจมีแต่ใจมีแต่ใจความฟุ้งซ่านทั้งหลายเขาไม่เล่นมาหาใจมีแต่ใจของเราที่อยู่ในกำมือของกิเลสท่านั้นมาเล่นไปหากองฟืนกองไฟเล่นไปหาแกกิเลสเนี่ยกิเลสไม่ได้มหาหาคนนี่มันก็ไฟกับมองกันกดีเห็นๆอยู่นั่นน่ะไฟมนเล่นมนเาเผาคนไหม แฝไฟมันแล่นมาให้ยตีนคนเหยียบไม่ไม่ไม่ไม่ตีนไม่เท่าไหมมีตาตีนของคนนั่ะมันแล่นเดินไปเดินเดินไปเหยียบไฟเพราะตาตีนมันไม่มีตาใจของเราก็เหมือนกันแต่หาก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาละมันมีตาไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ไหนแล่นไปน่ะ แล้วก็พอใจอยู่ในกองฟุน้นกองไฟนั่นนี่มันก็คนฝันนี่สลึมสลือสลึมสลือสลืมสลื อ, ล อ, ลอพุโทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นตื่นเสียอย่าไปสลืมสลื อ, ลอให้กเกรียดมันกล่อม ทีท่านเดินยงกลมกันหมดวันเดินยงกลมหมดคืนเรียกเดินอย่างเดินอย่างไม่มีทางออกส่วนหนึ่งเดินอย่างไม่มีทางออกส่วนหนึ่ง เดินได้ความเพลิดเพลินในอดในธรรมรื่นรมอยู่ในจิตในใจสว่างกายจางแจ้งอันนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่ง<ม>นั่งสมาธิกัมันก<ม>ันนั่งให้มันตายนั่นอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์นี่ นี่ก็ลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งนั่งเพราะชมความอัศจรรย์ น, นี่นั่งสัมผัสความอัศจรรย์ผลของการปฏิบัตินี่ก็ลักษณะหนึ่ง จึงพากันต่อสู้ถึงจะมีการประชุมนั่งพรสมาธิกันมีเวลาจำกัดเพราะว่ามันตัวมันอยู่ร่วมกันหลังจากประชุมแล้วนี่ต้องตั้งใจ หาที่ดีๆที่สะดวกสะดวกในการนั่งนั่งมันตองไปเอาดีที่สุดแล้วตรงนี้นั่งอย่างนี้ดีที่สุดแล้วนั่งตรงนี้ดีที่สุดแล้วดีแล้วไม่ต้องขยับนะดีแล้วไม่ต้องลุกนะดีที่สุดหรือยังเอดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วอย่าขยับนะนี่ไอเหมือนกับตอไม้ดีๆนี่แหละอยู่อย่างนี้ เพราะมันดีที่สุดได้จะขยับทําไมมันจะเน็ดมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุกข์ขนาดไหนอดไลยอดอดอดอดอดอย่างเดียวใ น, นที่สุดไม่ต้องไปว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นอันนี้จังทุกขังันาตาไม่ต้องว่ามันไม่ต้องว่ามันก็เป็นแล้วมันจะตายแล้วอื ในที่สุดทําไงล่ะเอาละอืนี่ร่างกายตอนนั้นมันก็จะมันเจ็บกระชังหัวมันมันจะแตะมันจะเจ็บกระชังหัวมันมันจะแตกมันจะพังกระสังกระชังหัวมันจิตของเราตอนนี้จิตของเราที่มันรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บอันนี้มันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บมันจึงรู้ว่านั้นเจ็บนั่น จิตอันนี้มาทีมันทีมันรู้รู้อยู่นี่มันไม่ได้เจ็บไอ้เจ็บมันตรงนั้นรู้อยู่ตรงนี้เจ็บอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนี้มันคนละศูนกันอย่างนี้อ้าในเมื่อตรงนี้มันอมันรู้ตรงนี้มันไม่เจ็บไอ้ตรงนั้นมาเจ็บอย่าไปสนมันอยู่ตรงไม่เจ็บนี่อยู่ในตรงอยู่กัจิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตนี่แน่วแน่อยู่ก็จิตนั่งแน่วแน่อยู่ก็อยู่ก็จิตอยู่กัจิต ในที่สุดอยู่ก็จิตออยู่ก็จิตได้นี่ไอ้ตรงที่มันเจ็บมันไม่ปรากฏนั่นมันไม่มีไอ้ที่เรียกว่ามันเจ็บมันเจ็บจิตมันไม่สงบปวดเจ็บตรงไหนไมาอยู่ตรงนั้นจิตมันไม่สงบมันแส่ไปหาอยู่ตรงเจ็บนั่นน่ะถ้ามันสงบมันสงบแน่วแน่อยู่ก็จิตที่ไม่เจ็บแล้วความเจ็บไม่มี อ่ามันมันไม่ไปนะต้องเจ็บนะมันจะไปทั้งมันจะไปแต่งมันเจ็บ่ะมันหาทางออกกันทําไมจะมันพ่นจากตรงเจ็บทาไมจะพ่นจากตรงเจ็บละมันจะตายจริงๆหรอหายใจมันก็จะหายใจไม่ได้แล้วนะเขาก็หาทางออกก็หาทางโอ้ตรงนี้ตรงไม่เจ็บนั่นน่ะเจ็บมันอยู่ตรงนู้นไอ้ตรงนี้มันไม่เจ็บมันรู้มันมีตัวมีตนจะเอาอะไรเจ็บ อยู่ตรงอยู่ตรงรูอยู่ตรงรูอยู่ตรงรูอยู่ตรงรูอยู่ตรงรูอยู่ตรงรูตรงรูอยู่ตรงนี้ละไอ้ตรงนั้นมันไม่ไปนะมันจะจะมาเจ็บที่ไหนนี่วิธีแก้มันมีอยู่ถ้าหากว่ามันเจ็บไม่พอเนี่ยมันอดที่จะไปหลุดไปคําไม่ได้ถ้ามันเจ็บพอแล้วมันไปหลุดคําไม่ได้มันจะตายมันก็ถอนตัวออกจังใจถอนจากตรงที่เจ็บนั้น ตรงที่ไม่เจ็บอยู่ตรงไหนมัดมันก็อยู่ตรงนั้นเท่านั้นน่ะจิตเขาฉลาดเขาหาทางออกของเขาอยู่ในนั่นละ่ะ เ, เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมตายง่ายๆดอกไม่ยอมจนดอกง่ายๆดอกยิงว่าต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ชีวิตชีวานี่บูชาข้อปฏิบัติบูชาคํ า, าสอนกุฏิเจ้าผู้ทีเจ้าสอนเนี่ยอดทนอดทนลงไป ท่านบอกสองคืนสามคืนท่านไม่นอนตลอดคืนท่านไม่นอนตลอดคืนท่านก็อยู่ได้บางไม่นอนตลอดคืนไม่นอนตลอดวันนะบางทีกลางคืนไม่ได้นอนนี่กลางวันนะ่ะเอาจงกระทั่งลืมเวลาประดัดจิตมันรวมตลอดเนี่เพราเมื่อคืนมันไม่ได้นอนนะ จิตมันหลับมันง่วงตลอดรับตลอดขอว่าปฏิบัติอะไรไม่สนอย่างนั้นก็ไม่เอาอย่างงั้นมันกิเลสมันหาอะไรมาชดเชยืันคืนมันอ่างว่ามันไม่ได้นอนนั่นะมันอ้างนะนวันนี้จะต้องชดเชยนอนนี่นั่นนะนั่นลา ก, กิเลสอีกแล้วปวดว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเช้ามาก็ต้องเบิกบานไหมเกยมใสไหม ไม่ได้นอนนะ่ะจะนอนชดเชยน่ะนะอย่ง น, นั้นไม่เอาอันนันก็อยู่ในกามือของกิเลสอีกมีนะท่านไม่นอนกันตลอดส า, สามเดือนนะมีท่านอาจารย์ภูม อาจารย์พมไม่ใช่พมอีกพรมนึ่งใช่พมใหญ่พมน้อยท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดสามเดือนโบท่านบอไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดามของพ่อแม่เคยหัดนอนมาแต่น้อย ท่านก็ยังพูดอยู่ขนาะท่านตั้งใจอย่างนั้นนะก็ยังอดอดเผลอไม่ได้เผลอก็เผลอวันหนึ่งเ่อท่า น, า, ท า, นทานนั่งอยู่นะท่านนั่งอยู่นั่งอยู่ไม่ในกุฏิของท่านนะมีเตียงในะมีกุฏินอของท่านนะมีแค่เน้อ ย, อยมีที่นอนอยู่เพราะว่าท่านนั่งอยู่นั้นนั่งอยู่ใต้เตยงทางหนทางหลังทางหลังเตียงไม่ได้นั่งบนเตียงเจ ไม่รู้ว่าขึ้นไปนอนบนเตียงเมื่อไหร่แต่ว่าไม่รู้จริงๆตื่นขึ้นมาตื่นคือมันเป็นขึ้นไปนอนบนเตียงกันหลับนะตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าโถเราขึ้นมานอนบนเตียงเมื่อไหร่กันนั้นตั้งแต่นั้นมาให้ไม่ยอมไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมให้เผลออีกแล้วไม่ยอมต้องระมัดระวังขึ้นอีกแล้ว ทว่าท่านตั้งใจไม่นอนตลอดไตมาสสามเดือนนี้เด็กเอามาเสียเอามามามามาเสียท่าเสียท่ า, ทาเกเอยู่ข้างหนึ่งพนายกย่องท่านมากๆทีเดียวแล้วเราก็ ไม่ต้องมีให้ต้องไม่ต้องให้ใครยกย่องเราดอ เ, เราให้ยกย่องเราความภาคความเพียรของเรานี่ให้เป็นที่น่าชื่นชมกีเลาพระพุทธเจ้าก็ชื่นชมเราเราไม่มีอะไรที่จะชื่นให้ไม่มีอะไรจิที่จะให้เราชื่นชมพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรที่จะชื่นชมเรา สิ่งที่พระพุทธเจ้าดำนิสิ่งที่พระพุทธเจ้าดำนินะกิเลสมันชื่นชมถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วดีมากๆว่นั่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าดำนินั่นเน่ยกิเลสมันชอบใจไอ้คำว่ากิเลกกิเลตอ่ะอย่าไปว่ากิเลสมันอยู่ที่อื่นนะเราเรานี่ยละ่ะ กิเลสก็คือเ้ากิเลสไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราแต่กิเลสเหมือนกับเราสิ่งที่พระพุทธเจตพสิ่งที่พระพุทธเจ้าดำนี้บางทีเราหักชอบนั่นกิเลสมันชอบนอกแต่ว่าเหมือนกับเราชอบ กิเลสเป็นกิเลสนะไม่ใช่กิเลสเป็นเราเราเป็นกิเลสกิเลสก็เราเป็นคนละส่วนพระพุทธเจ้าละกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าภาษาโวของพระพุทธเจ้าละกิเลสแล้วกิเลสก็เป็นกิเลสปะที่ไม่กิเลสเขาเป็นเรื่องของกิเลดใบใจก็เป็นใจที่ละกิเลสได้แล้วนั่นจึงว่ากิเลสเป็นกิเลสใจเป็นใจไม่ใช่อันเดียวกัน แต่กิเลสมันไม่ไหวอย่างนั้นนะเราไปซะหมดเราไปซะหมดเรื่องของกิเลกก็คือเราไปทั้งหมดเรื่องของของกิเลกก็คือฉันไว้ทั้งหมดเดี๋ยวนี่คําว่าฉันฉันคำว่าเราก็เรานี่ฉันฉันเราเราก็คือกิเลสทั้งหมดนั่นเองอยากได้ก็เราอยากได้โกรธก็เราโกรธอยากได้เราก็อยากได้โกรธก็เราโกรธ แต่ความจริงมีความอยากความโกรธเป็นกิเลสแต่เวลาเราความโกรธมันเกิดขึ้นความโลภมันเกิดขึ้นเราอยากได้เราโกรธทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสความโลภเป็นความโลภความโกรธเป็นความโกรธเราเป็นเราความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นความจริงเราก็ต้องยอมรับที่กิเลสมันหยิบยื่นให้ เรื่องของกิเลสทั้งหมดคือเรื่องของเรามันมันมันหยิบยืนอันนี้ให้ทั้งโลกหยิบยืนให้แล้วก็สาธุสาธุสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุรับเอาที่พระพุทธเจ้าหยิบยืนให้นะพุทโธมีอยู่แล้วธโมสังโฆมีอยู่แล้วเราไม่สอนพุทโธคืออะไรจิตพุทโธธโมคืออะไรจิตสังโฆ ค, คือจิตนี่ มีอยู่แล้วสนใจในจิตของเราสนใจในจิตของเราสนใจในจิตของเราทําจิตของเราให้รวมเขาเข้าหาจิตให้ได้ทาจิตของเราให้แน่วแน่อยู่ในจิตสว่างสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตนี่นี่ทําให้ได้แล้วพุทโธธรรมโสมโคก็คือจิตของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่สิ่งอื่นเพนนี่ จึงว่าพระพุทธเจ้าหยิบยืนให้ห ย, ย, ยิบยืนพุทโธหยิบยืมยืนธรรมโมหยิบยืนสังโฆหยิบยืนให้รับเอารับเอารับเอาอย่าได้ว่านั่นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราอันนั้นเ น, นี่ยเนี่ยเราอยากได้ก็ดีอันนั้นเร า, อ, าอยากได้ก็ดีอันนั่นใดกาเป็นของเราก็ดีอันันกิเลสมันหยิบยืนให้อย่าไปสนมัน คิดเราไม่ได้นับถือกิเลสเป็นพระศาสดาบวชที่ไหนก็ช่างบวชในเป็นวัดป่าบวชเป็นวัดบาทบวชเป็นกรรมฐานบวชเป็นไม่ใช่กรรมฐานวิปัสสนาธุระคันธาธุระอะไรก็ช่างไม่มีใครบวชอุทิศเอากิเลสเป็นพระศาสดา มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระศานดาดักิเลสคือศัตรูกิเลสคือฆาศึกเดี๋ยวนี้ฆาศึกกานักบวชกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นอันเดียวกัน กิเลสมันแสดงเคลื่อนไหวพับนี่นักบวชก็แสดงทันทีกิเลสเป็นเคลื่อนไหวพับนักบวชก็แสดงทันทีนี่กิเลสกับนักบวชเป็นอันเดียวกันกิเลสกับชาวโลกเป็นอันเดียวกัน กันตั้งความสัตว์ตั้งแต่นี้นี่หนึ่งเอาหนงอทิ์จะไม่เอาใจดูอะไรทั้งหมดเอาใจอยู่ในหนังห่อของสกปรกรูปทั้งหมดเป็นรูป เอาใจของเสาของเราสัมผัสรูปได้รลนี่นะให้ยูนภายในหอหนังห่ออยู่นี่ถึงจะผงคนเล็บคนไหนก็ช่างเธอมันอยู่ในภายนเนี่ยมันภายันอยู่ภายนอกแต่หนังมันก็ห่ อ, อไว้ หนังผมที่มันงอกผมที่มันงอกมันมองมันงอกมาจากไหนมันงอกมันจากภายในหนังนู้นนะเล็บก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันที่มันีงอกออกมางอกออกมาเนบเล็บหลุดอะไไปแล้วมันก็งอกออกมามันงอกออกมาจากไหนงอกออกมาจากภายในนั้นให้มันยูนในหนังจริงๆนี่เอาสักให้เจดวัน คิดไปไห น, นก็ไม่คิดคิดไปทางไหนก็ไม่คิดเดินยังกม้มก็จะเอาแต่หนังห่อกระดูกหนังห่อเอาไว้เหมือนกันหนังหอกองมูดกองหนังหอกมูดขุดนั่งสมาธิก็จะเอาหนังหอกองอุจจละ ขี้เหือกขี้ไขรอุจจละก็มีขูดขับอุจจะมูดก็ปัสสาวะของทิ้งทั้งนั้นขี้เหงือก็ของทิ้งน้ำเหงือนะั่นนะโดยหนึ่งกมนั่งสมาธิเอาใจของเราอยู่กับอารมณ์สิ่งเหล่านี้ จะบริกรรมพุทโธบริกรรมธัมโมโบริกรรมสังโฆอนาปานาสติพักเอาแต่หนังอันเดียวเอาแต่หนังหอกกระดูกอันเดียวเอาแต่หนังหอกกระดูกหนังหอกกระดูกเท่านี้ทำลองดูไม่ทำลองดูทำทำจริงจริงลองดู พระพุทธเจ้าท่านทําอะไรท่านก็ทดลองเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเราไม่เคยเจอก็ทดลองดูทดลองดูทดลองดูดงดถ้าหาก็ทดลองมันได้ผลเออข้อปฏิบัติอันนั้นถูกต้องถูกกเ็เรา ที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้มาคันธียาสกรปรกเหมือนก็ะมูดคูดแม้แต่เท้าไปเหยียบก็ยังยังไม่อยากจะเหยียบมูดคูดนะใครจะเห็นนะใครจะเหยียบนี่จะไปเอาเป็นเมียเป็นถัวไม่ใช่เอาได้หรอ พระพุทธเจ้าประกาศมา ก, กันและมาคันธียารามจึงกระทั่งลูกสาวมาคันธียาพมามโกรธอย่างมากทีเดียวโกลัพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้ดีเพราะคนโกรธไม่ได้ดีเพราะคนรักไม่ได้เสียหายเพราะคนโกรธเพราะคนโกรธ พระพุทธเจ้าท่านไม่มีที่จะดีเพราะคนยกย่องไม่ได้เสียหายเพราะคนดําหนีสิ่งใดเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นการสงเคราะห์มาคันธยาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทางไหนอุบายอันใดที่จะเป็นการสงเคราะห์มาคันธยาพรามได้พระพุทธเจ้าทําเพื่อสงเคราะห์ มาคันธยาความแต่สําเร็จเป็นพระสูดาขณะที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นนี่เราเล่าก็เหมือนกันได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าให้ชัดเปรียบเหมือนกองมูดกองคูดจริงๆนั่นนะฟังไม่ใช่เปรียบละเหมือนก็กองมูดกองคูดจริงๆที่เดียวยอ ก, กองมูดกองคู ด, ด, น, ด, ค ด, ดนั่นรวมไว้หมด คำว่าทุกข์ก็รมนั่นอนิจจังทุกขังอนัตตารมในนั่นหมดไม่สวยไม่งามอสุภอสุพังรวมในนั่นหมดในคําว่าดินคำว่าน้นคำนนคําว่าลมวายรวมในนั่นหมดคาว่าไม่ใช่สัตว์บุคนโลโคลตัวตนเราเขารวมอยู่ในคําว่ากองหมู่ของขูดนั่นหมดมาคณียาคพามเคยถือยึดถือว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนต หลุดออกจากจิตจากใจทันทีใจที่หลุดออกแล้วน่นะเป็นอริยะประเสริฐขึ้นมาเพราะไม่มีความสิ่งที่เป็นมูดเป็นคูดเข้ามาเจือปนเพราะใจไม่ไปสัมผัสสิ่งที่เป็นมูดเป็นคูดแล้วอ๋อบากันมียิตมีใจนะชีวิตนี่บูชาคําสอนพุทธเจ้าชีวิตจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมา ชีวิตนี่บูชากิเลสน่ยมีแต่ที่จะสุปกปรกโสมมไปหน่ามันเป็นอย่างนี้เอาชีวิตของเรานี่บูชาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่หวังดีปรารถนาดีรักเราปรารถนาความดีแก่เราเอาเราไปบูชากิเลสเอาเราไปแช่ในโคนในตม้มเอาเราไปแช่ในกองมูลกองขูดจะเรียกวางดีแก่เราไหม ตั้งปัญหาถามเราให้มันคักๆมันก็ดิ่นไงที่เนี่ยดิ่นไงดิ่นเลยยังกลมดิ่นสมาทําสมาธินั่งสมาธิมันก็ดิ่นไงดิ่นค้นคิดพิจารณาที่จะถอนออกให้ดิ่นออกถ้าหาก็ไม่ค้นคิดพิจารณาไม่พยายามดิ่นนะมันจะกลายเป็นหนอนดิ่งดิ่นอยู่ในกองอุจระ ดิ้นสนุกสนานอยู่ในกองมูดกองคูดใจของเราก็เหมือนกันไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นกองมูดกองคูดแล้วเราจะดิ้นสนุกสนานอยู่ก็ร่างกายอันนี้สนุกสนานดิ้นอยู่ในร่างกายของเรานิ่นสนินสนุกสนานอยู่ในร่างกายของคนอื่นมันก็เหมือนกันนอนดิ้นอยู่ในกองมูดกองคูด อันนั้นมันดีไหมเราปล่อยให้เราเหมือนกัอ น, นอนดิ้นอยู่ในกองมูดกองขวดมันถูกต้องให้ความยุติธรรมแก่เราหรื อ, อย่ะหรืนให้ความยุติธรรมแก่เราไหมเบียดเบียนเราทำลายเราโดยตรงทีเดียว